ก็มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยียน ม, มาทำบุญกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอเพราะสมัยนี้เรามีการเผยแพร่ไปทางอินเทอร์เน็ตทั้งทั้งสดและทั้งไม่สดมีคนได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็มีศรัทธา อยากที่จะมาพบมาเห็นเขาพูดภาษาเราไม่ได้ก็เลยต้องแบ่งเวลาเป็นภาษาอังกฤษบ้างเป็นภาษาไทยบ้างแต่ก็พยายามที่จะพูดเป็นภาษาไทยก่อนช่วงแรกสองถึงสามโมงหลังจากนั้นช่วงสามโมงก็แล้วแต่โอกาส ถ้ามีต่างชาติก็อาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่มีก็พูดเป็นภาษาไทยต่อเพราะการฟังธรรมนี้ต้องฟังแล้วเกิดความเข้าใจถึงจะได้รับประโยชน์ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็เหมือนกับเราฟังเสียงนกเสียงกา เสียงนกเสียงกามันจะชมเราว่าเราสวยเรางามเราหล่ออย่างไรเราฟังเราก็ไม่รู้เรื่องหรือเขาจะด่าเราว่าเราดีเราไม่ดีเราเลวอย่างไรเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นเพียงแต่เสียงความหมายของเสียงนั้นเราไม่ได้ศึกษามาเราเลยไม่รู้ดนั้นการแสดงทำ การสอนธรรมะนี้ต้องสอนให้กับผู้ฟังเป็นภาษาของผู้ฟังถ้าไม่เป็นภาษาของผู้ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องการที่ฟังทมเพื่อให้รู้เรื่องเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเหมือนอยารักษาโรคภัยไข้เจ็บนี้เองเวลาร่างกายเราไม่สบาย เราก็ต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับยามารับประทานเมื่อรับยามาแล้วถ้าเราไม่รับประทานยายาก็จะไม่สามารถทาหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายของเราให้หายได้แต่ถ้าเรารับยามาแล้วแล้วก็ รับประทานตามที่หมอสั่งให้กินครั้งละกี่เม็ดกินครั้งละกี่กี่เวลา <c oughs> เมื่อเราทำตามที่หมอสั่งกินยาเข้าไปในร่างกายยาก็จะได้ทำหน้าที่ไปรักษาร่างกายได้ห <c oughs> ลังจากรับประทานยาไปไม่นานอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุเลาลง และหายไปได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐนี้ก็เป็นยารักษาโรคใจไม่ใช่เป็นยารักษาโรคล่างกายเวลาปวดท้องนี้ไปเอาธรรมะมารักษาไม่ได้แต่เวลาปวดใจนี่รักษาได้เวลาเราเศร้าใจปวดใจทุกข์ใจเสียใจ ไม่สบายใจถ้าเราเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจได้ธรรมะก็จะสามารถรักษาโรคความไม่สบายใจให้หายไปได้การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการไปรับยาจากพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะนี้เป็นยาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ผลิตขึ้นมา แล้วก็เป็นยาที่วิเศษกว่ายาต่างๆในโลกนี้เพราะเป็นยาที่ไม่มีวันหมดอายุเนี่ยยานี้ถูกผลิตออกมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วตั้งแต่วันวันอาสาลหาบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน8 45ปีก่อนพุทธศักราช เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงผลิตยานี้ออกมาแจกใจ่ายให้กับพวกเราที่มีโรคใจกันทุกคนถ้าพวกเรารับยาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำอาอกไปรับประทานเดี๋ยวโรคใจโรคทุกใจต่างๆก็จะหายไปหมดดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำ ถ้าเราอยากจะรักษาโรคของใจของเราให้หายไปสิ่งแรกเราต้องไปรับยาจากพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านจากพวกเราไปแล้วแต่ท่านได้มอบให้มีตัวแทนเหมือนบริษัทโรงงานผลิตยานี่ยเขาจะมีตัวแทนจำหน่ายยา ตัวแทนจำหน่ายยาจะไปรับยาจากโรงงานแล้วก็นำเอามาขายตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สองตัวแทนด้วยกันคือหนึ่งเพราะทมคำสอนที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราต้องการธรรมะยารักษาโรคใจ เราก็ไปหาที่พระไตรปดฎกได้ไปรับจากพระไตรปิอกได้หรือตัวแทนจาำนายอีกแหล่งหนึ่งก็คือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าภาพปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนะท่านเหล่านี้ก็ได้รับยามาจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้นําเมายาที่ได้รับมาไปรับประทานพอรับประทานยาแล้ว โรคใจต่างๆของท่านก็หายไปหมดท่านก็สามารถที่จะสอนสามารถที่จะบอกธรรมะอยารักษาโรคใจให้แก่พวกเราได้ทำให้เราหายจากความทุกข์ใจต่างๆได้นี่คือเรื่องของธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราเรียกว่าเป็นธรรมโอสดเป็นยารักษาโรคใจจะให้ธรรมะของพุทธเจ้ารักษาโรคใจนี้จําเป็นที่จะต้องรับประทานธรรมะคือจําเป็นที่จะต้องเอาธรมามาา ร, าธรมะเข้ามาสู่ใจการที่จะเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจก็คือหลังจากที่รับ ธรรมะมาแล้วเฮ้ยหลังจากที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ต้องปฏิบัติธรรมนีการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจเหมือนกับการรับประทานยาถ้ารับยามาแล้วไม่รับประทานยาโรคภัยที่มีอยู่จะไม่หายยถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้ว ไม่นำเอาไปปฏิบัติโรคใจก็จะไม่หายโรคใจจะหายก็ต่อเมื่อเราเอาธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอย่างไรเราก็ต้องทําอย่างนั้นเหมือนกับหมอสั่งให้เรากินยาชนิดนี้วันละกี่ครั้งครั้งละกี่เม็ด เราก็ต้องทำตามที่หมอสั่งถ้าเราไม่ทำตามโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องการให้มันหายมันจะไม่มีวันหายไปได้นี่คือการมาฟังธรรมนี่เปรียบเหมือนกับการมารับยาเราต้องมาฟังธรรมก่อนมารับยาตอนนี้พวกเราทุกคน มีโรคไม่สบายใจคนทุกคนไม่สบายใจกับเรื่องนั้นไม่สบายใจกับเรื่องนี้ไม่สบายใจกับคนนั้นกับคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ความไม่สบายใจเหล่านี้เราสามารถกําจัดได้หมดเลยถ้าเราเอายาคือธรรมโอสถของพระพุทธเจ้ามารับประทานกันมารับประทานด้วยการปฏิบัติ พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทานเวลาที่เรามีความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองท่านบอกว่าวิธีที่จะรักษาความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองให้หายไปหมดก็คือให้เราเอาเงินทองไปทำบุญทำทานกันอย่าเอาเงินไปเที่ยวกันอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย อย่าเอาเงินไปซื้อของหรูหราของไม่จำเป็นเงินทองนี้มีไว้สำหรับใช้กับของที่จำเป็นเท่านั้นคือปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยในการใช้ปัจจัยสี่การซื้อปัจจัยสี่มาใช้ก็ต้องแบบ เรียกว่าพอเพียงอย่างที่ในหลวงรัชการที่เก้าสงสอนให้เรารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงคือพอต่อความต้องการของร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องอมีมากเกินไปใช่มากเกินไปอาหารกินมากเกินไปก็เป็นโทษอาหารแพงอาหารถูกก็เป็นอาหารเหมือนกัน ไม่จําเป็นต้องกินอาหารแพงๆกินอาหารถูก huh. ก uh ็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าไม่จําเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้าแพงๆมาใส่เสื้อผ้าแพงเสื้อผ้าถูกก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาแพงๆราคาแพงราคาถูกก็เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกัน ยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันนะนี่คือเงินทองที่เราหากันนี้หามาเพื่อใช้กับการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติดังนั้นเราต้องรู้จักใช้เงินทองเกี่ยวกับปัจจัยสี่คือใช้ให้พอประมาณอยา อย่าใช้แบบเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายเพราะมันจะทำให้เราไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเพราะเงินทองเป็นของหายากถ้าเราใช้ของแพงๆเราก็ต้องใช้เงินทองมากมันก็จะทำให้เราต้อง วุ่นวายกับการหาทหาเงินทองมากถ้าเราใช้ของถูกๆแต่มีคุณภาพคือใช้ประโยชน์ได้ตามที่เราตามที่ร่างกายของเราต้องการเราก็ไม่ต้องที่จะลำบากวุ่นวายไปกับการหาเงินมากๆนั่นะนี่คือหนึ่ง เรื่องของการใช้เงินทองเราต้องพยายามใช้อย่างประหยัดใช้อย่างออมีเหตุมีผลอย่าใช้ตามความอยากเพราะถ้าใช้ตามความอยากมีเท่าไหร่ก็จะไม่พอใช่ปัญหาของเงินทองที่พวกเรามีกันอยู่ ความไม่สบายใจเกี่ยวกับเงินทอง ก, ก็คือมักจะไม่มีเงินทองพอใช้นั่นเองมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอสมัยเด็กๆมีไม่กี่บาทก็ไม่พอโตขึ้นมาพอหาเงินเองได้ใช้มากกว่าสมัยเด็กๆมีมากกว่าสมัยเด็กๆ ก, ก็ยังไม่พอใช้จะไม่มีวันพอเพราะ ถ้าเราใช้เงินทองตามความอยากเนี่ยมันจะทำให้เราต้องใช้อยู่เรื่อยๆและใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองกันอยู่เรื่อยๆพอเราหาเงินทองไม่พอใช้เราก็ไม่สบายใจ ในช่วงนี้คนที่หาเงินทองผ่านตลาดหุ้นตอนนี้ไม่สบายใจหุ้นมีแต่จะตกจะตกเอาพอเห็นสีแดงบนจอท่านนั้นใจใจไม่สบายขึ้นมาทันทีแล้วเพราะว่าอต้องการเงินทองมากเพราะจะเอาเงินทองไปใช้กับเข้าของต่างๆนี่คือทําไมเราจรึง มาทำทานเพราะการทำทานนี้จะหยุดความอยากต่างๆได้นั่นเองเช่นเวลาเราอยากจะไปเที่ยวเช่ น, นวันหยุดสี่วันนี้ถ้าเราเปลี่ยนใจเ่าไม่ไปเที่ยวดีกว่าเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญดีกว่ามันก็จะทำให้เราเลิกเที่ยวได้ทุกครั้งที่เราอยากเที่ยวเราก็เอาเงินไปทำบุญแทน แล้วการทําบุญนี้ได้ความสุขมากกว่าการไปเที่ยวการไปเที่ยวนี้ได้ความสุขแป๊บเพียงแป๊บเดียวเวลาไปเที่ยวก็สนุกกันพอกลับมาจากการไปเที่ยวความสุขนั้นก็หายไปแล้วความอยากเที่ยวก็มาสร้างความหงุดหงิดสร้างความลำคาญใจให้กับเราใหม่แต่ถ้าเราไม่ไปเที่ยวเราไปทําบุญ เราจะได้ความสุขจากการทำบุญนะแล้วความสุขจากการทำบุญนี่จะทำให้ใจเราอิ่มใจเราพอจะทำให้เราไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเวลาที่เราอยู่บ้านเรากับจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะนี่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเอาเงินทองไปใช้ตามความอยาก พอใช้แล้วมันจะอยากใช้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราไปเที่ยวสี่วันปีใหม่เดี๋ยวเราก็จองตั๋ววางแผนไปเที่ยววันตุจีนต่อแล้วเดี๋ยวพอตรุษจีนผ่านไปก็สงการใหม่อีกแล้วมันก็จะอยากไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราช่วงไหนมีเงินมากก็อยากจะใช้มากขึ้นกว่าเดิมเคยไปเที่ยวใกล้ๆก็ไม่สนุกแล้วต้องไปเที่ยวไกลๆ เคยอยู่โรงแรมสองดาวก็ไม่สนุกแล้วต้องสามดาวสี่ดาวเออนี่ยมันจะความอยากมันจะดันไปเรื่อยๆต่อไปนั่งเครื่องบินซื้อตัว๋วธรรมดาชั้นธรรมดาไม่ได้ถ้ามีเงินมากเดี๋ยวต้องซื้อชั้นหนึ่งแล้วออแล้วถ้าเกิดมีเงินมากต่อไปอาจจะไม่ซื้อตั๋วแล้วซื้อเรือบินเลเช่าเรือบินเล ย, ชลเลยเออใช้เรือบินส่วนตัวดีกว่าเท่กว่ามันกว่า นี่แหละคือความอยากทำไมคนถึงใช้ใช้ใช้ใช้เครื่องบินต่างกันก็เพราะว่ามีเงินมากมีเงินน้อยใช่ไหมคนมีเงินน้อยก็นั่งแบบกระป๋องแบบปลากระป๋องไปก่อนชานีคอนมีเบียดกันแทบจะขยับไม่ได้แต่คนไม่เคยได้นั่งเครื่องขอให้ได้ขึ้นนั่งแบบนั้นก็ดีใจแล้วถึงแม้จะเป็นปลากระป๋องก็ตามแต่พอพวกที่เดินทางบ่อย เห็นคนที่นั่งชั้นธุรกิจมันสบายกว่าพอมีเงินก็อยากจะลองนั่งธุรกิจบ้างแล้วพวกที่นั่งธุรกิจไปเห็นพวกที่นั่งชั้นหนึ่งก็มันสบายกว่าของชั้นธุรกิจเอกีก็อยากจะไปนั่งชั้นหนึ่งพอมีเงินก็จองชั้นหนึ่งเลยนี่แหละคือความอยากมันจะไม่มีวันทำให้เราพอ ถ้านังชั้นหนึ่งแล้วเห็นพวกที่ไปเช่าเรือบินทั้งลําเลย่ยบินไปจะเดินจะนอนจะนั่งจะอาบน้ำในเครื่องบินก็อาบได้จะกินจะทำอะไรก็ทำได้เป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนสำนักงานบนท้องฟ้าเลยเดินทางไปไหนก็ทางานด้วยนอนด้วยกินด้วยไม่เสียเวลาก็ทำให้อยากจะมีเครื่องบินส่วนตัว ตอนต้นยังไม่มีเงินซื้อเครื่องบินส่วนตัวก็ขอเช่าไปก่อนอเช่าเป็นทริปไปทริปนี้ขอเช่าต่อไปถ้ามีเงินมากกว่า น, นี้ก็ซื้อเครื่องเลยเห็นแล้วถ้าอยากใช้โลกเขารู้ว่าเป็นของใครก็ติดชื่อบนเครื่องไปเลย น, นี่แหละคือกิเลสตัณหาความอยากมันไม่มีวันพอหรอ พอลดเครื่องบินนาทีนี้ก็อยากจะเป็นผาธนาธิบดีแล้วสิจะนั่งเครื่องของผานาธิบดีออมีรอปพอมีมีเครื่องบินขับไล่คอยคุ้มกันอีกเมันไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะตอนนี้เริ่มจองจองตั๋วไปเที่ยวโลกพระจันทร์กันแล้วอีกไม่นานก็จะมีจรวดพาให้เราไปเที่ยวโลกพระจันทรกันแล้วคนที่มีเงินนี่เขาจองตั๋วกันแล้ว แล้วต่อไปก็มีโครงการไปดาวังคารต่ อ, อนี่แหละความอยากของมนุษย์ของกิเลสตัณหามันจะไม่มีคาว่าพอมันจะมีแต่คาว่าเพิ่มต้องเพิ่มให้มากขึ้นต้องดีขึ้นต้องไกลกว่านี้ต้องแปลกกว่านี้ต้องวิเศษกว่านี้ถ้าเราปล่อยให้เราใช้เงินทองตามความอยากเราจะต้อง มีปัญหากับเรื่องเงินทองไม่พอใช้แม้แต่พวกเศรษฐีตอนนี้ถามันดูตอนนี้นอนหลับไหมเนี่ยหุ้นช่วงนี้ลงไปไม่รู้กี่พันจุดเนี่ยตอนนี้เเกินไม่ได้นอนไม่หลับกายหน้าผากกันพวกที่หวังจะพึ่งเงินจากตลาดหุ้นนี่ทีนี้ปวดหัวแล้วพึ่งไม่ได้แล้วนี่แหละคือความทุกข์ใจที่เกิดจากการใช้เงินตามความอยาก ถ้าเรามาควบคุมการใช้เงินตามความอยากใช้อย่างประหยัดที่สุดแต่ได้ได้ประโยชน์เท่ากันเ ร, เราเราเดงผลที่ประโยชน์เราไม่ได้ไปเล็งว่ามันต้องหรูต้องแพงแต่ก็ไม่ต้องถูกจะถูกจนกระทั่งไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ดีกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพแต่ถูกอย่างนี้มันก็ไม่ดีต้องกินอาหารที่ทำหน้าที่ เลี้ยงดูร่างกายได้ซื้อเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ปอกปิดอวัยวะของร่างกายได้ป้องกันอากาศหนาวเย็นได้ป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยได้อันนี้ก็มีดูที่ประโยชน์การใช้เงินทองขอให้เราดูที่ประโยชน์ดูที่เหตุผล อย่าดูที่ความอยากเสออื้อผ้าสองตัวดูเหมือนกันเลยราคาต่างกันเพราะว่ามียี่ห้อปิดไว้ต่างกันท่านเองเออมีจอระคาติดอยู่นี่ก็แพงหน่อยถ้าไม่มีจอระคาติดอยู่ก็ถูกหน่อยออไม่มีตัว อ, อ, อักษรออซีดีติดเข้าไปหน่อยก็ออถูกพอมีตัวอักษรซีดีติดเข้าไปหน่อยก็แพง อันนี้แหละเรื่องของความอยากความหลงถ้าเราไม่ระมัดระวังมันจะทำให้เราต้องมาทุกข์กังวลกับเรื่องเงินทองถ้าเราใช้เงินทองอย่างประหยัดนี่เราจะสามารถเก็บเงินทองไว้ได้เยอะเราสามารถเอาเงินทองนี้ไป เ, เป็นหลักคํำประกันชีวิตของเราได้เพราะเราสามารถที่จะเอาไปลงทุนแบบมั่นคงได้ ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆซื้อที่ดินซื้อที่อยู่อาศัยให้เขาเช่าหรืออะไรต่างๆเงินทองก็จะมีไหลเข้ามาอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเพราะเราไม่ได้เอาไปทุ่มเงินทองไว้แห่งใดแหล่งๆๆหนึ่งเราจะกระจายมันไปหลายๆแหล่งเพราะั่งเขาบอกว่าอย่าเอาไข่ทั้งหมดใส่ตะกร้าใบเดียว เวลาตะก้าหลน ม, มันแตกทั้งหมดนะให้แบ่งไขาไว้ใส่หลายๆตะกา้าตะก้านี้สองใบตะก้านี้สามใบตะก้านี้สี่ใบมีเงินทองที่เราหามาได้ที่เราไม่ต้องใช้เเราก็เอาไปใส่ไว้หลายๆแห่งไว้ในธนาคารบ้างไปซื้อทรัพย์สินบ้างซื้อทองคําบ้างซื้อเพชรบ้าง แล้วแต่อะไรที่มันจะสามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ต่อไปเราก็เอาไปทำเนี่ยแล้วอย่างนีนะ้รายจ่ายจะไม่ค่อยมีรายจ่ายที่จำเป็นจริงๆนี่มันน้อยมากถ้ามีบ้านแล้วก็มีแต่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นเองถ้ามีเสื้อผ้าแล้วแทบจะไม่ต้องซื้อเลย เสื้อผ้าที่ซื้อมาเนี่ยใส่ได้เป็นปีเลยกว่าจะขาดแล้วยิ่งสมัยนี้เขานิยมเสื้อผ้าขาดด้วยยิ่งสบายใหญ่ใส่แบบไม่ต้องปะก็ได้สมัยก่อนเราเป็นเด็กนี่เสื้อผ้าขาดต้องปะกันเพราะเขาไม่นิยมใส่เสื้อผ้าขาดกันสมัยนี้ยิ่งสบายใหญ่เสื้อผ้าขาดก็ไม่ต้องปะกลับกลายเป็นของของดีซะอีก เดีย๋ยวนี้เวลาไปซื้อเสื้อผ้าถ้าไ ม, ไม่ไม่ขาดมันขายไม่ได้นะต้องเป็นเสื้อผ้าขาดขา ด, ขาดคนหนึ่งจะซื้อกันเอี่ยงั้นเรื่องเสื้อผ้านี้แทบจะไม่ต้องมากังวลเลยเพราะถ้าเรามีพอเพียงแล้วกว่ามันจะอะ่ใส่ไม่ได้นี่อีกหลายปีเป็นสิบปีเลยเพอเดี๋ยวนี้ขาดก็ใส่ได้เออย่างนี้ก็ชอบโชว์ของวบวบแวมแหวม ขาดตรงไหนก็ใส่ได้ขาดตรงก้นก็ใส่ได้ขาดตรงหน้าอกก็ใส่ได้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เขานิยมเสื้อผ้าขาดขาดกันแต่พวกโง่ต้องไปเสียเงินซื้อเสื้อผ้าขาดขาดมาใส่พวกเจรจาดก็เสื้อผ้าเก่าๆนี่มาใส่มาให้มันขาดเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเ น, นี่ยคนเจรจาต้นกับคนโง่มันต่างกันตรงเนี้ย คนงอ้อมันมีแต่จะใช้เงินอย่างเดียวเออแต่คนฉลาดนี่รู้จักวิธีรักษาเงินเก็บเงินเก็บทองไว้เงินทองที่เก็บเงินไว้มันก็เอาไปลงทุนได้ให้มันงอกงามได้เงินทองที่เอาไปเที่ยวนี่เที่ยวแล้วก็หมดหมดแล้วก็ไม่พออความอยากมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมันจะทําให้เราหดหดลำคานใจ เวลาที่ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองแล้วเวลาใช้มากเกินไปก็ทุกข์กังวลเพราะเริ่มเพราะจะเป็นหนี้ยิ่งสมัยนี้เขามีวิธีล่อเอาเงินของเราด้วยการเอาบัตรมาให้เราเอาบัตรไปใช้ก่อนเลยไม่มีมีเงนินไม่มีเงนินไม่สำคัญเขาออให้มีบัตรก็แล้วกันพอมีบัตรไปซื้ออะไรเขาก็ลูดลูดเอา นี่มันจะมาเครียดตอนที่เขาส่งบินมาเก็บตอนหลังเนะี่ไม่มีเงินจ่ายเขาไม่มีเงินจ่ายเขาก็ชาร์จดอกเบีย้ยแพงอีกแล้วเดี๋ยวถ้าไม่รีบจ่ายเดี๋ยวล้มละลายเดี๋ยวเขามายึดทรัพย์เรามาฟ้อ ง, อ ง, องร้องฟ้องศาลถ้าเราไม่มีจ่ายเดี๋ยวก็ล้มละลายลนี่คือ การใช้เงินทองตามความอยากที่เราต้องกาจัดวิธีกาจัดเงินทองใช้เงินทองตามความอยากที่เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดก็คือเอาเงินทองที่เราใช้ตามความอยากนี้ไปทำบุญทำทานกันทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินตามความอยากเอาไปทำบุญจะได้ความสุขมากกว่าแล้วจะได้ประโยชน์มากกว่า ประโจากการทำบุญนี้ถ้าไม่ได้เป็นชาวพุทธจะไม่รู้ถ้าเป็นชาวพุทธจะมาได้ยินได้ฟังเรื่องประโยชน์ของบุญซึ่งมีหลายประการด้วยกันประการแรกคือในปัจจุบันนี้ก็เวลาทำบุญจะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจพอใจขึ้นมาแล้วจะทำให้เรา ไม่หิวโหวยกับการทาตามใช้เงินตามความอยากต่างๆนะอันนี้ประการแรกประการที่สองอันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นก็ได้คืออนาคตเวลาที่เราตายไปแล้วเนะี่บุญที่เราทำเงินทองที่เราไปทำบุญนี้มันจะทำให้ใจเรานี้เป็นสวรรค์ขึ้นมา เป็นเทวดาขึ้นมาเวลาที่ร่างกายเราเวลาเราไม่มีร่างกายเหลือแต่ดวงจิตดวงใจเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีบุญหล่อเลี้ยงนี้จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขความอิ่มเราเรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นเทวดาเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่มีร่างกาย ใจก็อาศัยความฝันมาหล่อเลี้ยงให้ความสุขกับใจถ้าใจทำบุญก็จะฝันดีมีความสุขถ้าไม่ได้ทำบุญก็จะไม่ได้ฝันดีถ้าทำบาปก็จะฝันร้ายเวลาตายก็เป็นแบบนี้จะอยู่ในโลกของความฝันถ้าเราได้ทำบุญอยู่เรื่อย เวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะเหมือนกับนอนหลับฝันดีไปฝันไปจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่ได้ได้ร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่พอเราคลอดออกมาจากท้องพาะท้องแม่เราก็เหมือนเติ่นขึ้นมาใหม่เราได้ไปเปลี่ยนร่างร่างกายเก่าของเรามันแก่มันเจ็บมันตายอยู่ไม่ได้แล้ว เราก็เลยออกจากร่างกายอันเก่าไปช่วงที่เรารอหาร่างกายอันใหม่เราก็อยู่ในโลกของความฝันถ้าเราได้ทำบุญเอาไว้มันก็จะทำให้เราฝันดีมีความสุขพอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็ตื่นขึ้นมาแล้วถ้าเราได้ทาบุญเอาไว้ร่างกายอันใหม่ก็จะเป็นร่างกายที่ดีกว่าอันเก่า เพราะจะได้เป็นลูกของคนที่ร่ารวยเงินทองที่เราได้เอาไปทำบุญนี้ไม่สูญหายไปไหนเหมือนกับเงินทองเราไปฝากไว้ในธนาคารของโลกหน้าพอเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเราก็จะมีเงินทองมาเบิกได้เช่นไปอยู่กับพ่อแม่คนใหม่ของเรา จะได้พ่อแม่ที่มีเงินมีทองร่ำรวยจะไม่เกิดมายากจนคนที่ทำบุญในชาตินี้ชาติหน้าจะเกิดมาจะไม่ยากจนยิ่งทำมากยิ่งร่ำรวยมากในชาติหน้าแต่ไม่รวยในชาตินี้เนะี่ยขอให้ทำความเข้าใจบางคนเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญชาตินี้แล้วจะรวยในชาตินี้เช่นพวกที่ชอบใส่บาทในวันหวยออกเน คิดว่าใส่บาทตอนเชา้าเหรือเดี๋ยวตอนบ่ายหวยออกก็จะถูกหวยส่วนใหญ่จะผิดหวังนั่นเพราะว่ามันไม่ออกผลทันทีมันไม่เหมือนสวิทช์ไฟพอกดปุ่มปั๊บไฟก็ติดเลยอันนี้เป็นเหมือนกับการปลูกข้าวปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาไม่ใช่พอเอาไม้ลงดินปั๊บมันจะงอกขึ้นมาเลย ขนาดข้าวนี่ยังต้องใช้สามเดือนใช่ดำนาเสร็จแล้วก็ต้องรอให้มันจเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาท่นใดบุญที่เราทำนี้ก็จะส่งผลในชาติหน้าส่งผลในชาตินี้ก็คือเรามีความสุขเนี่ยทำบุญปั๊บอยากจะได้ผลดูที่ใจจะรู้สึกสุขใจสบายใจขึ้นมาอิ่มใจพอใจแล้วนอกจากนั้นเวลา นอนหลับ ก, ก็จะฝันดีจะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะมองเห็นสังเกตดูถ้าเราทำความดีทำบุญเราจะมีเพื่อนเยอะจะมีคนรักเราเยอะถ้าเราไม่ทำบุญไม่ทำความดีจะไม่ค่อยมีคนรักเรายิ่งถ้าเราไปทำบาปทำไม่ดีนี้มีแต่คนเกลียดเราไม่มีคนรักเรา ผลอันนี้เห็นได้จากในชาตินี้เลยไม่เชื่อลองทำดูเนี่ยยิ่งตอนนี้ปีใหม่เนี่ยรอรับความสุขจากเราเราส่งสอขอสอกันเนี่ยถ้าเราให้ความสุขกับผู้อื่นเดี๋ยวเขาก็จะให้ความสุขกับเราเป็นการตอบแทนนี่คือประโยชน์ที่เราได้ไดรับจากการนําเงินทองที่เราจะเอาไปใช้กับความอยากต่างๆ เอามาทำบุญทำทานรับรองได้ว่าปัญหาเรื่องเงินทองไม่พอใช้นี่จะไม่มีจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองจะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้อย่างสบายนี่คือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่พวกเรามักจะมีปัญหากัน มีความไม่สบายใจเกี่ยวกับเงืน่นเรื่องเงินทองกันทุกคนนี้มองไปที่อนาคตทั้งนั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างไม่มีใครรู้จะมีรายได้เหมือนตอนนี้หรือไม่ไม่มีใครรู้ถ้าเกิดเป็นอะไรไปขาดรายได้ก็เดือดร้อนกันแต่ถ้าใช้เงินแบบประหยัดใช้เงินแบบมีเหตุมีผลนี้จะมีเงินสำรองเยอะ จะมีแหล่งที่จะเกิดเงินขึ้นมาเยอะสามารถเอาไปลงทุนในรูปแบบต่างๆได้ฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยซื้อหุ้นที่มั่นคงก็ได้ได้แบ่งปันผลแล้วก็ได้เงินส่วนต่างของราคาหุ้นที่เราซื้อราคาหุ้นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราซื้อกับหุ้นที่เป็นหุ้นที่มั่นคงเน ถ้าเราไม่รีบร้อนเราไม่ได้เอาแบบนักการพนันซื้อเช้าขายเย็นนะพวกซื้อเช้าขายเย็นนี่เขาเป็นพวกเก่งกาไร mm hmm. ก็เหมือนเล่นการพ น, นันเหมือนแทงหวยแทงว่าซื้อหุ้นอันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ราคามันจะขึ้ น, จ ะ, นจะขายได้กาไรอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดบันเก่งไม่ถูกมันแทนที่จะขึ้นมันลงนี่ตีก็ปวดหัวนะ แต่คนที่ไม่ใช้เงินทองตามความอยากนี้จะมีเงินทองมามาฝากมาเก็บมาลงทุนอย่างมั่นคงอย่างปลอดภัยแล้วอนาคตนี้จะไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเลยเพราะเรารู้ว่าเรามีแหล่งเงินทองหลายแหล่งด้วยกันเหมือนเรามีไข่หลายใบไข่ใบนี้แตกตะก้าอันอ่้พัง ไข่ในตะก้านี้แตกแต่ยังมีต้องเจ็ดแปดเก้ากะตะตะก้าที่เราเก็บไข่เอาไว้มันก็สามารถที่จะม า, าทำหน้าที่แทนกันได้นี่คือพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ที่มือหนึ่ง ควรที่จะให้รางวัลโนเบลกับพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อนเลยถ้าเรามาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้จักวิธีบริหารจัดการเรื่องเงินทองเรื่องของการอยู่อย่าง มีความสุขเยี่อย่างมั่นคงขนาดในหลวงร .9 เป็นพระเจ้าแผ่นดินยังต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เลยทิศดีเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองในหลวงท่านก็เคยบวชเป็นพระท่านก็เคยศึกษาจากพระอริยสงสาวกในหลวงก็เคยไปรับยาจาก พระอริยสงสาวกมารับประทานพอรับประทานแล้วก็รู้สึกมีผลมีความสบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองท่านก็เลยเอามาสอนประชาชนชาวไทยให้อยู่แบบเศรษ ฐ, ฐกิจพอเพียงแต่กิเลส ข, ของใจของพวกเรามันไม่ชอบเศรษฐกิจพอเพียงกันมันชอบของหรูหราชอบของแพงแพง ชอบใช้เงินตามความอยากกันแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองกันแล้วถ้าหาโดยวิธีที่ถูกกฎหมายไม่ได้ถูกศีลธรรมไม่ได้ก็อาจจะไปหาวิธีผิดกฎหมายอีกไปเป็นไปสร้างปัญหาให้แก่บ้านเมืองมีอาชญากรรมต่างๆปรากฏขึ้นมาเยอะแยะทุกวันนี้เพราะอะไร เพราะการใช้เงินแบบตามความอยากนี้เองทำให้เงินทองไม่พอใช้กันก็เลยต้องมีวิธีหาเงินแบบแบบผิดศีศลธรรมผิดกฎหมายกันมีการค้าประเวณีมีการค้ายาเสพติดมีการค้าอะไรต่างๆที่ไม่ควรที่จะทำกันนี่แหละคือปัญหาของโลก โลกมีความไม่สบายใจแทนที่จะกินยาธรรมโอสถกลับไปกินยาพิษคือไปไปกินกิเลสไปทําตามกิเลสตัณหาความอยากต่างๆแทนที่จะมาเอาธรรมมาระ ง, งับหยุดความอยากกลับไปทําตามความอยากด้วยการกระทําบาปกันทําผิดกฎหมายกัน ในเมื่อไม่สามารถทำตามความอยากแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมได้ก็จะดิ้นไปทำแบบผิดกฎหมายแบบผิดศีลธรรมนี่คือปัญหาของโลกทุกวันนี้ของใจของพวกเราทุกคนใจของวเราทุกคนนี้เราเชื่อเลยว่าต้องกังวลเรื่องเงินทองกันทุกคนกังวลเรื่องอนาคตกันทุกคนว่าจะมีกินหรือเปล่า ความจริงถ้าเก็บเงินไว้สาหรับกินอยู่นี่มันต้องมีแต่เราไม่เอาเงินเก็บไว้สาหรับกินอยู่เราเอาเงินไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันซื้อของหรูหรากันแล้วพอซื้อมาแล้วมันก็เอาไปซื้ออาหารไม่ได้เสื้อผ้าหรูหราที่ไหนเวลาเอาเสื้อผ้าไปที่ร้านอาหารบอกนี่ขอจ่ายค่าอาหารเขาก็ไม่เอานะ จะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเขาก็ไม่เอาเขาจะเอาเงินสด น, ะนี่แหละนะเราต้องคำนึงถึงสิ่งจำเป็นแยกเอาอันไหนเป็นจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้มันเก็บเงินไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเก็บไว้สำรองหรือเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุนให้มีรายได้เข้ามาหลายๆทางด้วยกัน ด้านอนาคตของเรานี่เราจะมีความมั่นคงจะไม่โอดอยากอย่าไม่อดตายอย่างแน่นอนถ้าเรารู้จักใช้เงินแบบประหยัดรู้จักเก็บเงินเก็บทองรู้จักเงินรู้จักลงทุนหาเงินรายได้ให้มีเพิ่มเข้ามามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรามีมากเกินไปเราก็เอาไปทำบุญได้ อันนี้ก็เป็นการลงทุนสำหรับอนาคตเองฮะยิ่งทาบุญมากชาติหน้าก็ยิ่งกลับมารวยมากกว่าเก่ายิ่งทาบุญมากก็ยิ่งมีคนรักเรามากมีคนรักเรามีคนดูแลเราคุ้มครองเราคนที่ทาบุญนี้เทวดาจะคุ้มครองแล้วก็จะไม่ตายด้วยยาพิษจะไม่ตายด้วยอาวุธเพราะคนทาบุญนี้ไม่มีใครคิดจะฆ่า ไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วคนอื่นเขาจะมาทําร้ายเราได้อย่างไรพวกที่ถูกฆ่าด้วยยาพิษปลุกฆ่าด้วยเอออาวุธนี้ส่วนใหญ่เพราะไปทําร้ายเขาก่อนไปทําให้เขาเจ็บช้าน้ำใจโกรธเกลียดเขาก็ต้องล้างแค้นอาคาดพยาบาทนี่คือเรื่องของการนําเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ เข้ามาสู่ใจเข้ามาเพื่อที่จะรักษาใจของพวกเรานี่ให้หายจากความทุกข์ใจชนิดต่างๆมีหลายชนิดด้วยกันธรรมะก็ต้องมีหลายชนิดเหมือนยาเรามีโรคภัยทางร่างกายหลายแบบโรคปวดศีรษะต้อง ก, ก็ต้องมียาแก้ปวดศีรษะปวดท้องก็มียาแก้ปวดท้อง ปวดแขนปวดเท้าก็มียาแก้ปวดแขนปวดเท้ายาก็ต่างกันไปธรรมะก็เหมือนกันธรรมะก็มีต่างกันเพื่อที่จะมารักษาโรคภัยที่ต่างกันนั่นเองการทำบุญทำทานก็เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเงินทองไม่พอใช้เรื่องเงินทองขาดแคลนเรื่องความวุ่นวายไม่สบายใจกับเรื่องเงินทอง จะไม่มีปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามอยู่ระดับแสนระดับล้านระดับสิบล้านเนี่ยก็จะมีความมั่นคงเหมือนกันถ้าเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใจจะไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกข์ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอันนี้เรื่องของกางรทำบุญเป็นอย่างนี้ได้รับประโยชน์หลายอย่างแก้ปัญหา เรื่องเรื่องความไม่มั่นของเรื่องปัญหาเรื่องเงินทองไม่พอใช้แล้วยังมีประโยชน์มีความสุขใจอิ่มใจเวลานอนหลับก็ฝันดีเมื่อตายไปก็ไปสวรรค์กลับมาเกิดใหม่ก็มารวยกว่าเก่าเนี่ยนี่เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำบุญทำทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนข้อที่สองที่ท่านสอนให้เราทาก็คือให้เรารักษาสีนะ่ห้าอย่าทำบาปอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องไปเจอความวุ่นวายใจจากผลจากการกระทำบาปของเรานั่นเองเพราะการกระทำบาปมันมีโทษตามมาไปฆ่าผู้อื่นก็ต้องถูกเขาจับไปลงโทษไปรักทรัพย์ของผู้อื่นก็เหมือนกัน ไปประพฤติผิดประเวณีก็เหมือนกันไปโกหกหลอกลวงก็มีโทษตามมาเนี่ยมีคดีลงไปที่ศาลดูเลยมีคดีเหล่านี้ทั้งนั้นน่ะคดีรักทรัพย์คดีข่มขืนคดีคดีฆ่ากันคดีหลอกลวงกันเนี่ ย, ยพอทำบาปแล้วมันก็จะทำให้ใจเราไม่สบายใจเพราะเราจะต้องไปติดคุกติดตารางนั่นเองเอ ถ้าเรารักษาสี่หน้าได้เนี่ยเราก็จะปลอดภัยเราจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางกันอยู่อย่างสบายเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวพวกที่ทำผิดกฎหมายนี่พอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาที่นี่ใจก็วูบลงไปที่เท้าละเสีย ว, วูบเข้าไปละ ท, ทั้งทั้งที่บางทีเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้เรื่องการทำบาปของเราอาจจะมาเยี่ยมเย็ยนเรามาทักทายเรา แต่พอเห็นเป็นตําหนวจขึ้นมาเนใจก็ไม่สบายล่ะถ้าเราไม่ทําบาปไม่ทําผิดกฎหมายใจของเราจะสบายความอยากนี่แหละที่ทําให้เราไปทําผิดกฎหมายกันพอเราไม่สามารถทําตามความอยากแบบถูกกฎหมายได้เราก็ต้องไปทําตามความอยากแบบผิดกฎหมายนั่นเองถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะทําให้ ความอยากทําสิ่งที่ผิดก็จะหมดไปต่อไปเราจะ อ, าอยู่แบบสบายเพราะเราจะไม่คิดทําบาปอีกต่อไปคนไม่ทําบาปก็จะไม่มีความไม่สบายใจไม่วุ่นวายใจนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายไม่มีศัตรูไม่เป็นศัตรูกับใครตายไปก็ไม่ต้องไปอบายนน ีอบายนี้เป็นที่ตรงกันข้ามกับพวกที่ไปทำบุญพวกที่ทำบุญไปสวรรค์พวกที่ทำบาปนี้จะไปอบายอบายมีอยู่สี่ที่ไปเป็นเดาชะฉานอันนี้มีร่างกายของเดาชะฉานถ้าไม่มีร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยก็เรียกว่าเปรตถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวก็เรียกว่าอาสุรกาย ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านารกนี่นี่แหละที่ไปของจิตใจของพวกเราเป็นความทุกข์ใจทั้งนั้นถ้าเราเอาศีลมารักษาปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนรับประทานศีลเข้าไปรักษาศีลหน้าให้บอยสุด เรารับรองได้ความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการทำบาปจะไม่มีเพราะไม่ได้ทำบาปนั่นเองนี่คือขั้นที่สองขั้นที่สามก็คือการมาภาวนามาทำจิตใจให้สงบอันนี้ก็จะรักษาใจให้เราให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลย ความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆยังเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนไม่ยังอาจจะทำอาจจะอาจจะเกิดโอกาสผิดพลาดได้อาจจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเวลาเกิดการสูญเสียก็จะเกิดความเศร้าใจเสียใจไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามในที่สุดร่างกายของเรามันก็อยู่ไม่ได้ในโลกนี้ พอเวลามันตายมันก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้ไปตอนนั้นก็ยังจะต้องเจอความเศร้าโศกเสียใจกันอยู่ถึงแม้จะทำบุญทาทานถึงแม้จะรักษาศีลก็แก้วความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียเกิดการพัดพากจากกันไม่ได้ถ้าอยากจะ ไม่มีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องการพัดพรากจากกันเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียสิ่งต่างๆไปเนี่ยเราต้องมาหัดภาวนากันมาหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็มาสอนใจให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปพึ่งเขา ให้เรามาพึ่งตัวเราดีกว่าให้เรามาพึ่งใจเราพึ่งความสงบที่เราได้จากการควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบดีกว่าเพราะถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้แล้วใจเราจะไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับอะไรเลยเพราะเรา สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเรายังมีความสุขได้ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นป็นยาวิเศษชนิดที่สาม ที่จะสามารถรักษาใจของเราไม่ให้มีความทุกข์ได้เลยถ้าเราสามารถภาวนาได้นั่งสมาธิได้จเจริญปัญญาได้เราจะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปอนี่แหละคือวิธีรักษาใจของพวกเราให้หายจากความทุกข์ทั้งปวงรักษาโรคใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หายไปหมดได้ เราต้องรักษาด้วยยาสามชนิดนี้เราก็ต้องรักษาจากชนิดที่ง่ายไปก่อนชนิดที่หนึ่งนี่ง่ายกว่าชนิดที่สองชนิดที่สองนี่ง่ายกว่าชนิดที่สามถ้ายัางไม่สามารถรักษาด้วยชนิดที่หนึ่งได้ แล้วก็จะไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่ชนิดที่สองได้ชนิดที่สามได้นะเนีย่ยเราต้องมารักษาชนิดที่ง่ายก่อนชนิดก็คือเรื่องเงินทองก่อนแก้ปัญหาเรื่องเงินทองแล้วก็มาแก้ปัญหาเรื่องการกระทําบาปต่างๆเมื่อเราแก้ได้แล้วเราก็จะมีกําลังมีความสามารถที่จะไปควบคุมจิตใจหยุดจิตใจทําใจให้สงบให้ได้นะ พอใจสงบเราก็จะสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้แล้วก็สอนใจให้ฉลาดอย่าไปหลงพึ่งอะไรอีกต่อไปอย่าไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้พึ่งไม่ได้เพราะ้าต้องมีการพัดพากจากกันให้มาพึ่งความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอนี่แหละแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ถ้าเรายัางต้องพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เวลาตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเราต้องกลับมาหาคนนั้นคนนี้ใหม่สิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นขอให้เราถ้าอยากจะพ้นทุกข์อยากจะกาจัดโรคภัยทางจิตใจขอให้เราไปรับยาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับรับมาแล้วก็ต้องมารับประทาน รับประทานแล้วโลกก็จะหายการไปรับยาก็คือการไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเมื่อเอามาดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไรก็ทําสอนให้ทําทานทําบุญสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาเราก็ทําไปตามกําลังของเรา แล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เพราะมีคนทำมาแล้วพระอริยสงสารกก่อนที่ท่านจะเป็นพระอริยสงสารกท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติใจของท่านก็หายทุกข์ ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจต่อไปท่านจึงสามารถมาทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้เป็นตัวแทนจำหน่ายยาได้เนี่นะนี่แหละสิ่งที่วิเศษที่สุดนี่ไม่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองธรรมะของพระุทธเจ้านี้เป็นธรรมทานไม่เก็บเงินเก็บทอง ใครต้องการที่จะรับยาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถไปรับได้สามารถเอามารักษาโรคของใจให้หายขาดได้จึงขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องธรรมโอสถนี้ไปพินิตรพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อการพ้นจากความทุกข์ต่างๆทา ง, างจิตใจต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวาหาปูราปะริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตาหนังอุปกัรปติอ an ิทิตังปฏิต um ังตุมหังคิปปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะหระโสยถาเมณิโชติหราโสยถาสปิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวา อภิวาทานสีฤทสานิจังวุฒาปจายโนจตรารูธรรมาวาทานติอายุวันโอสุข้งางพาลัง <c oughs> วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง f a c e b o o สามรอยเก้าสิบสองทาง y o u t u ร้อ8แปดสิบสามวิทยุออนไลน์ยี่สิบรับฟังบนเข่าสี่สิบสามรวมหกร้อยสามสิบปดค่ ะ, ะใครมีคำถามไม่อยากจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ตอนนี้เอาที่ทางบ้านก่อนก็ได้ คำถามสักทางไลน์ค่ะถ้าคนในครอบครัวทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและก่อให้เกิดความเสียหายให้ครอบครัวทั้งทรัพย์สินและความเสื่อมมีบอกกล่าวมีแต่ความขัดแย้งจะทำยังไงดีคะก็ ơ, ในสังคมเขาก็มีกฎมีระเบียบมีวิธีจัดการกับคนที่มาสร้างปัญหา เช่นเขามีคุกมีตารางถ้าไม่ทําตามกฎตามระเบียบเขาก็จับไปค้ำคุกขังตารางในสังคมของพระถ้าไม่ปฏิบัติตามศีลตามวินยัยเขาก็จับศึกไปก็เหมือนกันคนในครอบครัวถ้ามาสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ครอบครัวครอบครัวก็ต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องห้ามหรือ ป้องกันไม่ให้เขามาทําลายทรัพย์สินมาป้องกันมาทำลายครอบครัวทําลายครอบครัวอถ้าต้องในประเทศให้เขาไปอยู่ที่อื่นก็ต้องให้เขาไปในเมื่ออยู่แล้วมันสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับทั้งคนทั้งทั้งทั้งครอบครัวนั้นทํำนี้ไม่ผิดไม่เสียหายพระพุทธเจ้าจับผ้าศึกนี้ไม่เสียหาย ไม่อยู่แล้วจะทำให้สงเสียหายก็ต้องกาจัดส่วนที่มาทำให้เกิดความเสียหายสังคมบ้านเมืองเราก็ต้องกาจัดคนที่ไม่ดีถ้าปล่อยให้ทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็สร้างความเสียหายให้กับสังคมสังบ้านเมืองครอบครัวก็เหมือนกันครอบครัวก็เป็นสังคม ครอบครัวจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกคนในครอบครัวก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวอืมคําถามจากคุณทันวะไลเรานั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาไปให้เจ้ากรรมในเวรคุณพ่อคุณแม่จะถึงไหมเจ้าคะไม่ถึงหรอกเพราะสมาธิเรายังไม่มีผลเรายังกําลังฝึกหัดนั่งสมาธิอยู่ยังไม่ได้เกิดผลจากการนั่งสมาธิ ถ้าอยากจะส่งบุญไปทำบุญทำทานดีกว่าเพราะทำปุ๊บได้ปั๊บเลยเป็นฟาสต์ฟู้ดทันใจถ้านั่งสมาธิเหมือนไปสั่งโต๊ะจีนต้องจองไว้ก่อนกว่าก็จะเตรียมอาหารเตรียมโต๊ะจีนมาเลี้ยงได้ก็หลายวันด้วยกันอะงั้นกว่าที่เราจะนั่งสมาธิจิตสงบได้นี่ก็หลายสิบปีหรือไม่ได้เลย ฉะนั้นอย่าไปคิดถึงเรื่องของการแผ่เมตตาหรือการอุทิศบุญผ่านการนั่งสมาธิหรือการรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เนี่ยมันยังอยู่ในขั้นของการหัดอยู่ฝึกหัดอยู่ยังไม่ได้อยู่ในขั้นของการผลิตบุญขึ้นมา คำถามสักคุณวิรัต์ดิฉันตื่นมาก็เข้าสวนมีคนว่าดิฉันยึดติดมากเกินไปแต่ดิฉันยังทำต่อไปเพราะทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำสวนก็เรื่องของคณคนอยากจะทำอะไรที่มีความสุขแล้วไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือกับตัวเองก็ทำไปใครจะว่าไงก็เรื่องถือว่าเป็นปากนกปากกาไปเราห้ามเขาว่าไม่ได้หรอก คนชอบว่าคนอื่นไม่คชอบว่าตัวเองใช่ไหมถ้าถ้าเรามาพลิกกับมันโลกนี้จะดีขึ้นเยอะๆแทนที่จะไปชอบว่าคนอื่นชอบว่าตัวเองรับรองได้สังคมจะดีขึ้นเยอะเพราะเราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขตัวเราถ้าทุกคนปรับปรุงแก้ไขตัวเองสังคมก็ดีขึ้นเองแต่ถ้าทุกคนพยายามไปปรับปรุงแก้ไขคนอื่นสังคมก็วุ่นวายเพราะไม่มีใครยอมให้ใครมาปรับปรุงแก้ไขเรา เราต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองดังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องวิพากษ์วิจาร์เลยถ้าจะฟังก็ฟังดูว่าเขาพูดแล้วถูกก็เปล่า ถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าเช่นบางสิ่งบา ง, บางอัเราอาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องนะเขาเขาพูดอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับการเตือนเราก็ได้ถ้าเรารู้เออเราทำไม่ดีนะเราต้องไม่อย่าทำนะเราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเเองแต่ถ้าสิ่งที่เราทามันไม่มันไม่เสียหายมันมันไม่เป็นพิษเป็นภยัยกอะไรกับใครก็ก็ปล่อยให้เขาพูดไป สคำถามสากคุณจินครับปัญญากับความคิดต่างกันอย่างไรครับความคิดมีทั้งสองแบบคิดแบบงอ ก, ก็ได้คิดแบบฉลาดก็ได้คิดแบบงอ ก, ก็เรียกว่าโมหะอาวิชาคิดแบบฉลาดก็เรียกว่าปัญญาคนหนึ่งไปโรงเรียนกันไงเพราะโรงเรียนสอนให้คิดแบบฉลาดเนี่ย คนที่ไม่ไปโรงเรียนก็คิดแบบโง่คิดแต่จะขโมยคิดแต่จะโกงเพราะไม่มีวิชาความรู้ที่จะเอามาทำมาหากินได้พวกที่ไปเรียนได้วิชาความรู้มาก็เอามาทำมาหากินได้ก็ไม่ต้องไปคิดในการทำบาปเพื่อหากิน คำถามจากคุณสวยเรามีโรคประจาตัวเราเป็นโรคกาเก่าหรือเราเริ่มแก่เจ็บใช่ไหมเจ้าคะอย่าเป็นยังไงก็ช่างมันไนยเขาใอยรู้ว่ามันเป็นก็แล้วกันรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปมันจะมีสาเหตุมาจากไหนมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงการที่เราไปรู้สาเหตุมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มารักษาโรคให้มันหายได้ หมดแล้วเนีออของบางอย่างไม่ควรรู้ก็ไม่ต้องไปรู้มันรู้แล้วไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปรู้มันดีกว่าอย่างมีมีนิทานในสมัยพุทธกาลมีคนถูกถูกยิงด้วยลูกธนูก็มีหมอมีใครจะมาช่วยรักษาพร้อมจะมารักษาคนที่ถูกยิงก็บอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรักษาเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนว่าคนที่ยิงเรานี่เป็นใคร เป็นหญิงเป็นชายปีฐานะอะไรนามสกุลอะไรเชื่ออะไรหรือลูกธนูนี้ทำด้วยไม้ชนิดไหนขนนกชนิดไหนเด็กชนิดไหนถ้าลองไปค้นหาเรื่องราวตอนนี้ถ้าตายก่อนเข้าใจไหมเนี่ยเราต้องดูว่าปัญหาตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนแก้มันตรงนั้นถ้าถูกยิงก็พยายามดึงเอาลูกธนูออก แล้วก็ใส่ยารักษามันจะได้หายไม่ใช่บอกอย่าเพิ่งทำให้ไปหาไปค้นหาดูว่าใครเป็นคนทำก่อนตายพอดี อันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เราไม่สบายเป็นโรคอะไรก็ไปหาหมอซะหมอรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ทําใจอยู่กับมันไปเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะทำบาปหนักบาปเบายังมีกรรมหนักกรรมเบามามันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนอันนี้ถ้าอยากจะแก้ ที่ต้นเหตุก็ต้องแก้ที่เกิดการที่เรามาเกิดเนี่ยมันทำให้เรามาแก่มาเจ็บมาตายกันถ้าไม่อยากจะเกิดต้องไปแก้ต้นเหตุของการเกิดต้นเหตุของการเกิดก็คือความอยากเราจะแก้ต้นเหตุของแก้ความอยากก็ต้องไปแก้ต้นเหตุของความอยากอีกต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงเอยความไม่รู้ว่าการมาเกิดไม่ดียิงจะแก้ความหลงก็ต้องไปหาคนที่รู้ว่าอะไรเป็น เป็นเป็นเป็นวิธีแก้ก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าที่จะแก้ความหลงก็คือรู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์นั่นเองเพราะรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์รู้ว่าต้นเหตุของความเกิดคือความอยากเพราะไปคิดว่าการมาเกิดแล้วจะมีความสุขจะได้ทำตามความอยากกัน น, นี่คือวิธีแก้ปัญหาต้องไล่เป็นขั้นเป็นตอนไปให้มันจนถึงถึงต้นเลยถ้าเราไม่ไล่ไปบางทีแกไ้ไม่ไม่ไม่ไม่ครบมันก็ยังไม่ไม่สำเร็จต้นปัญหาของพวกเราทุกคนนี้อยู่ที่ความหงงอวิชชาหงงว่าการมาเกิดนี้จะทำให้เรามีความสุขกันแต่พระเจ้าได้พิสูจน์แล้วการมาเกิดนี้มีความทุกข์กันอย่ามาเกิดดีกว่า เหตุที่ทำให้เรามาเกิดก็คือความอยากพอเรารู้ว่าเกิดไม่ดีเราก็จะไม่อยากดีกว่าเราก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากเราก็ไม่ต้องเกิดกันมีคำถามหไหมมีค่ะคำถามสักุนทนิตปัจจุบั น, นธรรมหมายถึงอะไรคะหมายถึงปัจจุบันไง <laughs> เ, นเรามีอยู่สามเวลาอาดีตปัจจุบันและอนาคต สิ่งที่เป็นความจริงเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นอดีตไม่เป็นความจริงอนาคตไม่เป็นความจริงอดีตเป็นความจำมันเกิดแล้วมันผ่านไปแล้วอนาคตเป็นการคาดการยังไม่เกิดยังไม่มาสิ่งที่เกิดจริงๆเกิดในปัจจุบันะงนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราก็จะสามารถที่จะควบคุมการเหตุการณ์ต่างๆที่เราควบคุมได้ ถ้าเราจิตเราไม่อยู่ปัจจุบันเราจะควบคุมไม่ได้เช่นขับรถไปใจเราก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับลูกขับรถไปรถวิ่งมาตัดหน้าเอไม่ได้ดูเพราะจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันไปอยู่อดีตเนี่ก็เลยชนรถที่วิ่งตัดหน้าดีไม่ดีก็ตายกันไปด้วยกันเอก็เพราะจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเอจิตไปอยู่ในอดีตน จิตที่ไปอยู่อดีตอยู่อนาคตเรียก ว, ว่าจิตที่ไม่มีสติจิตเพอ้อฝันนี่เรามาฝึกสติกันเพื่อให้ดึงจิตกลับมาให้อยู่ในปัจจุบันนี่นเราจะเรียกว่าสติเป็นปัจจุบันธรรมก็ได้สติเป็นตัวที่ดึงจิตให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันน็นปัจจุบันก็ปัจจุบันธรรมก็คือสตินี่เอง ให้เรามาฝึกสติกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดปัจจุบันธรรมขึ้นมาเกิดสติขึ้นมาคำถามจากคุณก้องมีสองข้อค่ะข้อแรกความคิดที่เป็นปัญญาที่ผุดขึ้นมาเองขณะทำสมาธิเชื่อถือได้ไหมครับช่วงนี้นั่งนั่งสมาธิที่ไรเสมอมีความคิดดีๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆส่วนมากเป็นทางแก้ปัญหาทางโรคที่กาลังเผชิญอยู่ครับ ก็ไปพิสูจน์เลทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพิสูจน์จะมาถามเราไม่ได้หรอกเพราะเรื่องเหล่านี้คุณคิดว่าวด น, นี้จะออกสามสองนี้คุณก็ลองไปแทงดูถ้าถ้ามันออกตรงก็จะรู้ว่าใช้ได้ความคิดนี้ตรงเปงเลยอันนี้ต้องพิสูจน์ นี่ไม่ได้ให้หวยนะเดี๋ยนเป็นสองสามก็ได้เจ็ดแปดก็ได้เก้าศูนก็ได้นเดี๋ยวจะทางสามสองกันทุกคนเ เอามันหนึ่งถึงสิบอะไรเงี้จะได้ทงมันตั้งสิบเลขสิบเบอร์แลยเอ้วข้อที่สองผมเป็นคนใจร้อนโกรธง่ายอยากเป็นคนจิตใจเยือกเย็นต้องทำอย่างไรครับ อ, อ่จิตใจร้อนเพราะไม่มีสติ น, นั่นเองั้นฝึกสติแล้วใจจะเย็นจะสบายจิตใจร้อนเพราะความอยากความอยากเพราะไม่มีสติคอยควบคุมมัน เยังต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะเย็นจะสบายคำถามสกุลกลยุทธ์เวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตึงที่หน้าผากและเหมือนมีอะไรหมุนวนอยู่บริเวณ น, นั้นเกิดจากอะไรครับและต้องแก้ไขอย่างไรจจครับเกิด จ, จากการไม่มีสตินี่ถ้านั่งเฉยเฉยไม่มีพุโทโธไม่มีดูลมหายใจเขาออกเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็ผุดขึ้นม า, างั้นอย่าไป อย่าไปนั่งเฉยๆเวลานั่งนี้พอเริ่มนั่งต้องดูลมแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าดูลมไม่ได้ก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปถ้าพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้อย่างวิธีเหล่านี้จะเป็นการดึงสติกลับมาพอมีสติแล้วใจก็จะไม่ผลิตอาการต่างๆที่มันผลิตเพราะกิเลสมันไม่อยากจะนั่งพอนั่งแล้วมันอึดอัดมันจะรู้สึก ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าให้มันนั่งดูหนังนั่งเล่นไพ่นี้มันดูได้ทั้งคืนมัะถ้ากิเลสมันชอบมันจะไม่ผลิตเห็น <c oughs> เวลานั่งสมาธิถ้าจะต้องนั่งแบบไม่มีปัญหาต้องนั่งแบบมีสติ <c oughs> ถ้าไม่มีสติก็ไม่ถือว่าเป็นการนั่งสมาธิเป็นการนั่งสร้างปัญหา <c oughs> คำถามจากคุณจาตุรนการภาวนาพุโทโธเป็นการสร้างสติโดยการนึกพุโทโธถ้าไม่มีสติมันจะคิดอย่างอื่นยาวไปถ้ามีสติแล้วก็พุโทโธจนอารมณ์เกิดดับเกิดดับเป็นการกำหนดภาวนาถูกไหมครับไม่ได้กำหนดภาวนาหรอกเป็นการหยุดความคิดต่างๆให้มันนิ่งมันยังไม่ถึงจุดจุด เต็มอิ่มเคยจะยังเกิดดับเกิดดับก็แสดงว่าสติยังไม่พอต้องพุทโธต่อไปจนกว่ามันจะดับไม่มีเกิดเนี่ยจนกว่าความคิดมันจะหยุดมันไม่เกิดนั่นมันนิ่งมันเฉยนั่นเนะ่ยเรียกว่าสมาธิ คำถามสักคุณกันที่คิดเรื่องทุกข์สุขเพราะจิตสั่งให้สมองคิดใช่ไหมครับบ่อยครั้งที่เราไม่อยากคิดถึงเรื่องที่เป็นทุกข์แต่สมองมันคิดเองหรือเปล่าครับหรือเพราะจิตสั่ง อ, อ๋อสมองคิดไม่ได้สมองไม่ใช่เป็นตัวคิดตัวคิดคือจิตสมองเป็นตัวที่ออประสานการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเป็นตัวที่ ส่งสัญญาณต่างๆไปที่แขนที่ขาอีกทีหนึ่งแต่ต้องรอรับคำสั่งจากจากจิตก่อนจิตสั่งว่าให้ยกแขนขึ้นพอสั่งยกแขนขึ้นสมองก็สั่งไปทางเส้นประสาทให้ยกแขนขึ้นถ้าเกิดเส้นประสาทมันเสียก็ยกไม่ได้ถ้าสมองเป็นเป็นมีไขมันอุดตันเส้นเลือดไม่สามารถส่งสัญญาณไปที่แขนได้แขนก็ยกไม่ได้ ถึงแม้จะมีจิตเป็นผู้สั่งก็ตามจิตเป็นผู้สั่งแล้วสมองเป็นผู้มาสั่งร่างกายอีกทีหนึ่งจิตเป็นเป็นคนสั่งสมองเป็นผู้รับคำสั่งแล้วก็มาสั่งให้ร่างกายส่วนต่างๆทำงานตามคำสั่งสั่งให้เดินสั่งให้ลุกสั่งให้นั่งสั่งให้หันหน้าไปทางซ้ายทางขวาเนี่ต้องมีสมองถ้าถอดสมองออกไปแล้ว ต่อให้จิตสั่งยังไงก็ไม่สามารถที่จะทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆได้เช่นพวกที่มีสมองเสื่อมเนี่ยมีปัญหาทางสมองนี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆได้เพาสมองนี่ก็เหมือนกับรถยนต์สมัยใหม่รถยนต์สมัยใหม่เนี้มีตู้คอมอยู่ในมีคอมอยู่ในเครื่องอยู่ในรถใช่ไหมคนขับก็สั่งรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ มันก็ผู้รับคําสั่งก็คือตู้คอมเนี่ยตู้คอมมันก็จะสั่งไปที่เครื่องสั่งให้เปิดแอร์สั่งให้ปิดแอร์เปิดไฟปิดไฟแตาไม่ น, นี้ใช้ตู้คอมเครื่องคอมเป็นตัวควบคุมรถยนต์อีกทอดหนึ่งแต่มันก็ต้องรอคําสั่งจากคนขับก่อนคนขับเป็นจิตส่วนสมองนี่ก็คือคอมที่อยู่ในเครื่องอยู่ในรถนี ถ้าความเสียคนสั่งยไงมันก็มันก็ไม่ทำตามคำสั่งต้องเข้าอู่อย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสั่งให้สมองสั่งให้ยกแขนยกขาไม่ขึ้นก็ต้องไปหาหมอละหมอทำไมแขนผมชายกไม่ขึ้นเลยหมอก็ต้องมาเช็คสมองเช็คประสาทดูและว่าส่วนไหนที่มันขาดค่ะคำถามสักคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้ว สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาเนืองเนืองในเรื่องแก่เจ็บตายและการพลัดพรากถ้าเรานึกบ่อยๆแล้วจะช่วยให้บรรลุโสดาบันขั้นต้นไหมคะก็มีส่วนช่วยแต่จะบรรลุไมหรือไม่เราต้องทำตามที่เรานึกเรานึกว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากกันเราก็ต้องยินดีกับมันถ้าเรายังไม่ยินดีกับมันเราก็ยังไม่บรรลุ พระโสดาบันนี้ท่านยินดีกับความแก่ยินดีกับความเจ็บไข้ได้ป่วยยินดีกับความตายยินดีกับการพัดพากจากกันท่านไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายปวดแล้วเหรอเพียงแต่คิดอย่างเดียวนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดให้เราเริ่มมาให้รู้จักปล่อยวางว่าต่อไปร่างกายนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เราทาอะไรมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะแกะ่เราห้ามมันแก่ไม่ได้ ถ้ามันแก่เรายังไปทําสัญญกรรมตกแต่งอยู่นี่แสดงว่าเรายังเรายังเป็นโสดาบันไม่ได้ถ้าเป็นโสดาบันมันผมจะขาวจะหงอกก็ปล่อยมันหงอกไปไม่ไปย้อมไม่มันเสียเงินเสียทองเสียเวลาปะปะอันนี้คือพระโสดาบันปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้อยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับมัน ถ้ายังทุกข์กับร่างกายอยู่แสดงว่ายังเป็นโสดาบันไม่ได้หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะเดหมดจะได้ปิดประชุมกัน <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหม <c oughs> ยังมีเวลานะนยังเปิดวั <c oughs> นนี้หมดเวลาพอดีไม่ต่อแล้วนะโอเค